ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องเปลี่ยนแปลงตนให้พ้นทุกข์ตอนที่หนึ่งโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่4กรกฎาคม2547ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ มาเอาพระสูตรพระสูตรหนึ่งมาให้พวกเราฟังดูพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจริงๆท่านตรัสคำสอนอะไรไว้เยอะแยะมากมายบางพระสูตรเราก็อาจจะได้ยินอยู่บ่อยๆแต่บางครั้งได้ยินบ่อยก็จริงแต่ในความจริงของชีวิตเนี่ยเราไม่ค่อยได้เอาไปใช้จริงๆทั้งๆ ท, ท, ที่รู้นะบางคนก็จำได้ อ, อย่างเช่นอนาะจามาถามว่า พรหมวิหารสีเนี่ยมีอะไรบ้างฮะเมตตากรุณามุติต า, าอุเบกขาอก็จำได้อะนะนแต่เวลาผัสสะจริงๆไม่ค่อยเป็นพรหมอะไรนะพรหมวิหารอะไรนะพรมเช็ดเท้า <laughs> กลายเป็นพรหมเช็ดเท้าจริงๆ ภาษารีบุตรมึงท่านเคยเปรียบว่าให้ทำตัวเหมือนกับพรมเช็ดเท้าน ะ, ะแบบว่าอะไรอ่ะอ่อนนอนถอมตนรู้จักที่จะอดทนอดกลัน้นยอมได้อะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็เคยสอนเอาไว้แต่เดี๋ยวเราลองฟังพระสูตรนี้ดูแล้วกันผู้พุทธเจ้าท่านกระตัดย่อๆนะใน พระไตปิฎกเล่มที่สิบสามมหาราหูโลวาทาสูตรข้อที่หนึ่งสห้าขึ้นต้นมาท่านก็มีพูดถึงว่าเธอจงทำจิตเมตตามากขึ้นดูนะ่าจะมีคำว่ามากขึ้นด้วยคือบางครั้งเนี่ยเราทำจิตเมตตาก็จริงแต่ว่าทำน้อยเหลือเกินจะเมตตาเด็กเมตตา ผู้ใหญ่หรือเมตตาคนแก่คือเราเราบางคนเนี่ยนานๆจะทำสักครั้งอาวบางคนนี่ไม่ต้องอื่นไกลนะแค่ทำบุญใส่บาตรพระเนี่ยเชา้ชาเช้าบางคนก็นานๆจะทำสักครั้งทงัทง้ทงทั้งที่จริงๆแล้วถ้าใครสามารถทำได้ทุกวันใช่ไหมบางทีมีเวลาแล้วก็มีทรัพย์พอที่จะทำบุญทำทานได้น่าจะทำยิ่งทำได้ทุกวันก็ยิ่งดี แต่ในสภาพความเป็นจริงดูเอาเหอะก็มัวหมกมุ่นอยู่กับอะไรอ่ะการงานทำมาหากินหรือว่าตื่นสายเพราะว่านอนดึกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้ทำรออะไรเดี๋ยวนี้รอวันสำคัญทางพุทธศาสนาหรือว่ารอวันเกิดรอวันอะไรอีกอ่ะ รอวันโชคดีนะหรือว่าวันไหนเกิดแม่ถูกรางวัลอะไรมาอย่างเงี้ยผมค่อยๆทำสักทีไอ้อย่างเงี้ยมันน้อยเหลือเกินตอนนี้ในที่นี้พู้เจ้าท่านตรัสว่าเธอจงทำจิตเมตตาให้มากขึ้นปรารถนาให้ผู้อื่นได้สุขเพราะเมื่อมีเมตตาอยู่ก็จะละพยาบาทได้ นะเพราะฉนั้นพู้เจ้าเนี่ยท่านบอกว่าถ้าใครเนี่ยทำเมตตาก็จริงแต่ถ้าทําน้อยเนี่ยมันละความพยาบาทความไม่ชอบใจคนอื่นเนี่ยละได้น้อยหรือเผลออะไรอะ่ะน้ําน้อยจะให้ดับไฟกองใหญ่เป็นไปไม่ได้นะน้ํานิดเดียวเนี่ยไปดับไฟกองใหญ่ไม่มีทางดับเพราะน้ําต้องมากพอ วันบางทีเนี่ยเราเกลียดใครยิ่งในที่นี้ท่านใช้คําว่าพยาบาทพยาบาทเนี่ยแสดงว่ามันผูกไวล้ละผูกความไม่ชอบใจผูกความเกลียดชังผูกความโกรธเพ้อเพอก็อาฆาตจองเวรไปเลยด้วยซ้ําไม่ใช่แค่พยาบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งท่านหนักถึงขนาดนั้นน่ะยิ่งแสดงให้เห็นเลยว่าโอ้โหไฟอะไรนี่ไฟอะไรกองไปเริ่มเทิมไฟความโกรธไฟ โทสะไฟความเกลียดชังโอโหสะสมเนี่ยแล้วก็เติมเชื้ออยู่เรื่อยอยู่นะบางทีอ่ะเติมเชื้อไฟให้ลุกอยู่เรื่อยพอคิดทีก็ลุกทีเหมือนเอาน้ำมันราดกองไฟเติมทีไฟก็ยิ่งลุกกองกองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วอย่างเงี้ยพอบางทีเออวันไหนจิดดีๆหน่อยก็คิดเมตตาเออคิดทำบุญคิดกับเขาดีๆบ้าง แต่คิดดีเนี่ยสมมุตินะในอาทิตย์หนึงเจ็ดวันในเจ็ดวันเนี่ยคิดดีๆกับคนที่เราไม่ชอบใจวันหนึ่งถึงไหม <c oughs> บางทียังไม่ถึงเลยบางทีไม่กี่วินาทียังยังจะไม่ค่อยคิดถึงเลยแต่ว่าเราเกลียดเราไม่ชอบใจโอ้โหคิดอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวก็เอามาย้ำอีกแล้วเอามาตอกตะปูตะปูเนี่ยเขาบอกว่าอะไรยิ่งตอกก็เป็นไงยิ่งตอกยิ่งตอกยิ่งตอก ตะปูมันก็ยิ่งยิ่งจมเข้าไปในเนื้อไม้นั้นก็ยิ่งลึกไปเรื่อยยิ่งลึกไปเรื่อยยิ่งลึกอ่ะเวลาถอนไปนไงถอนยากความพยาบาทก็เป็นอย่างนั้นน่ยถ้าถ้าเราเหมือนกับตอกตะปูลงไปในไม้เนี่ยิ่งนานยิ่งนานมันก็ยิ่งลึกยิ่งลึกยิ่งลึกโอ้โหข้านี้จะถอนก็ลําบากเหลือเกินเพราะนเวลาไปเกลียดชังใครเวลาไม่ชอบใจอะไรใครเนี่ย อย่าไปตอกตะปูอย่างนี้บางทีพระพุทธเจ้าท่านใช้สันวนนว่าระวังอย่าไปให้มีตะปูตรึงใจท่านใช้สันวนนว่าอย่าให้มีตะปูตรึงใจไว้คราวนี้ไม่ได้ตอกลงที่เนื้อไม้แต่ตอกลงที่จิตใจเราไปตอกลงทุกวันทุกวันทุกวันใจคุณน่ะตะปูปักเต็มไปหมดอโอ้โหไม่รู้ว่ามีกี่ดอกตะปูเนี่ยปักอยู่เต็มจิตเต็มใจคุณไปหมด ก็พุนไปหมดสิเพราะฉะนั้นข่าวนี้ถอนบอกแล้วถ้ามันยิ่งลึกมันก็ยิ่งถอนยากวันพระเจ้าเนี่ยท่านก็ให้ใช้ขำว่าเมตตาแต่ต้องมากขึ้นต้องมากกว่าที่เราจะไปคิดในแง่ไม่ดีกับคนที่เราเกลียดวันขราวไหนเนี่ยรู้ตัวปั๊บโอ้โหคิดไม่ดีแล้วต้องรีบเลยต้องรีบปรับแก้ความคิดคิดเมตากับคนอื่นเนี่ยท่านใช้คาว่า ปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุขนี่คือเมตตาเนี่ยจิตที่เมตตาคืออย่างนี้นะคือเกิดเกิดความคิดที่จะเออจะทำยังไงให้ให้ให้คนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบใจเนี่ยให้เขามีความสุขขึ้นมาได้มีบ้างไหมใครเคยคิดอย่างนี้มีบ้างไหมโดยเฉพาะคนที่เราหมั่นไส้ที่สุดเลยมีบ้างไหมฮะ ไม่มีเลยเหรออาตมาบอกบอกตามตรงก็ได้อาตมาก็นี่เนี่ ย, ยกอ่านตำราอ่านพระไตรปิฎกมาก็ไม่น้อยดีนะที่ที่ที่จำได้ <c oughs> จำได้นี่หมายถึงว่าเออยังมีสติอยู่เวลาถ้าอาตมารู้สึกว่าเกลียดใครชักรู้สึกั่นไสคนนี้มากๆพยายามนึกจริงๆเพราะว่าถ้าไม่พยายามนึก เมตตาขึ้นมาเนี่ยเออคือจะทํำยังไงให้เขาแบบว่าอย่ามาเดือดร้อนใจเพราะเราเลยนะคนที่เราเกลียดหรือคนที่เราชักไม่ชอบเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องพูดกันไม่รู้เรื่องเรารู้สึกถ้าโดยปกติเนี่ยถ้าเราปล่อยไปตามอารมณ์จิตเรานะอย่าว่าแต่เห็นหน้าเลยไม่ต้องเห็นหน้าหรอกอย่าว่าแต่ได้กินเลย <c oughs> นะเอาต้องวุ้ยให้หนัก บางคนพูดชื่อถึงเท่านั้นเองอะ่ะหรือเนี่ยมีไอ้อะไรนะเสียงมาตามลําโพงบางทีแค่มีคนเอ่ยชื่อถึงแค่นั้นเองอะ่ะแวบละทันทีเป็นไงมันไส้ขึ้นเลยนะทันทีเลยนะแล้วความคิดอะไรล่ะที่ที่จะตามมาความคิดแหมคิดในแง่ลบอะ่ะมันจะตามมาทันทีเลยคิดอืมไอ้คนเนี้ยมันน่ารังเกียจมันน่าจัดการมันน่าอย่างนั้นอย่างนี้จิตพวกเนี้ยจะมาทันทีเลยแต่ อาตมาถึงบอกว่าเออยังโชคดีหน่อยปฏิบัติธรรมมานี่ไม่สูญเปล่ายังรู้สึกว่าเออยังมีสติเวลาหมั่นไส้เวลาไม่ชอบใจใครเนี่ยเ อ, อพยายามปรับจิตแล้วก็แก้ใจตัวเองว่าเอออย่าไปจัดการเขาเลยอย่าไปเล่นงานเขาเลยเ อ, อแล้วเราจะทำยังไงบ้างที่จะทำให้บางทีอาจจะพูดกับเขาหรือว่าอาจจะทำอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าดีๆขึ้นมาบ้าง ไม่ใช่ทําอะไรที่ทําให้เขายิ่งรู้สึกว่าเราไปบีบคั้นเขาหรือเราจะไปเล่นงานเขาเพื่อให้เขาเกลียดเราหนักขึ้นน่าจะไม่อย่างนั้นเนี่ยยังโชคดีทุกวันนี้ยังต้องฝึกเลยเพราะมีเหมือนกันบางครั้งรู้สึกแมหมั่นไส้าบางคนมีจิตอาถมา ก, ก็ยังมีรู้สึกอื ม, อมคนนี้นี่เ <c oughs> หลือเกินจริงๆแล้วคนที่ทําให้อาถามันไส้ได้นี่ก็ต้องถือว่า ไม่เบาแล้วกว่า น, นี้แต่มีจริงๆแต่ยังดีว่าอ้าวอาจจะมีสติแล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆก็เลยทำให้มันไม่รุนแรงอะไรพอฝึกบ่อยๆแล้วเนี่ยเราจะจับได้ไวแล้วก็จะไม่รุนแรงมันจะวางใจได้ขนาดหนึ่งแล้วก็จะปล่อยจิตเราเนี่ยได้ไม่ให้ไปโกรธไม่ให้ไปเกลียดไม่ให้ไปถือสาเออมันจะทำได้แล้วมันทำได้จริงๆอย่าเผลอแล้วกัน ถ้าเผลอนะทันทีเลยนะสภาวะเนี่ยถ้าคุณเผลอนะทันทีเลยเ mm hmm. ดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวต้องเอาให้หนักเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวต้องว่าหรือ ถ, ถ, ถ, ถ้าไม่ไปลงไม้ลงมืออะไรนะเพราะว่าเราปฏิบัติทำมาเนี่ยมันไม่อยากไปถึงขั้นไปลงไม้ลงมือแต่มันอดไม่ได้ตรงเดี๋ยวเดี๋ยจะด่าให้ด่าแบบมีเหตุผลด้วย <c oughs> ด่าแบบดีด้วยด่าแบบเอาธรรมะด่านี่แหละแต่เรารู้จิตเราเลยว่า จิตเราไม่ชอบใจเราเอาธรรมะมาอ้างแล้วก็ด่าไอ้คนเนี้ยเออคุณรู้หรือเปล่าอ้าวบางทีเนี่ยเพราะว่ายิ่งยิ่งฉลาดหรือว่ายิ่งยิ่งศึกษาธรรมะฟังธรรมามากโทษคุณเอาธรรมะอยู่ละด่าคนได้ด่าแบบจิตไม่ดีนะอันนี้พูดแบบด่าแบบจิตเสียเนี่ยด่าได้จริงๆแล้วเราอารมณ์ไม่ดีเราอารมณ์เสียเราก็ด่าเขาแต่รู้แล้วถ้าไปด่าแบบเร็วๆไล่ๆ ไอ้อย่างนั้นน่ะทัเอ้ยคุณแย่แล้วถ้าอย่างนั้นน่ะไอะ้นี่บันดาแบบชั้นสูงข <c oughs> ึ้นมาเนียเอาภาษา ธ, าธรรมะเอาภาษาดีๆด่าเขาเออคนอื่นฟังก็โหนี่สอนเขานี่สอนเขาเออนี่สอนเขานี่หนี่เทศให้เขาฟังแต่จริงๆแล้วจิตเราไม่ดีอันนี้คนอื่นไม่รู้แล้วนะเจ้าตัวจะรู้เองว่านเนี่ยเนี่ยจิตเราไม่ดีแล้วเราพูดไปเนี่ยจริง ภาษานะี่ยถูกต้องภาษานะ่ยเป็นคําสอนเอาคําสอนของผู้เจ้ามาก็ได้แล้วก็มาว่าเขาเนี่ยแหละคนอื่นมาฟังก็ว่าเราสอนอืมแต่จริงๆแหละคราวนี้บอกแล้วถ้าเรามีสติเนี่ยเรารู้ตัวเราจะรู้เลยว่าโอ้โหตอนเนี้จริงๆเราขึ้นแล้วเราขึ้นแล้วอารมณ์เราไม่ดีแลเราหงุดหงิดเราไม่ชอบใจแลอารมณ์เราเสียแล แล้วเราก็พูดง่ายว่าอดทนอดกั้นไม่อยู่แล้วขอสัตยนะก็ด่าว่าเข้าไปโดยใช้ธรรมะเนี่แหละด่าได้นี่พูดในมุมโทสะนะแต่ในมุมราคะก็ได้เอาธรรมะเนี่ยมาพูดเพราะว่าเราชอบคนนี้เอาธรรมะมาพูดสอนน่ะแต่จริงๆแล้วติดใจชอบใจคนนี้ไหเอาธรรมะมาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้แต่จริงๆพูดเพราะถ้าพูดภาษาโลกโลกอ่ะก็จีบเขาว่าแหละ แต่เอาธรรมะเนี่ยแหละมาพูดก็ได้ใช่ไหมคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่เจ้าตัวเองรู้ไหมละ่ะอันเนี้ยจะต้องรู้ให้ได้พวกนี้ตัวอย่างมีมาแล้วทั้งนั้น <c oughs> ตัวอย่างมีมาแล้วทั้งมากพระศึกไปก็ไม่น้อยแล้วมีที่แบบโอ้โหสอนธรรมะสอนอย่างดีเลยนะสอนไปสอนมาศึกไปแต่งงาน <c oughs> เรียบร้อยออ เพราะฉะนั้นอันนี้ถึงบอกว่าภาษาก็เป็นเรื่องภาษาแต่จิตคนนั้นน่ะรู้กิเลสเป็งจริงไหมแต่ในที่นี้เราพูดในแง่ของความพยาบาทเนี่ยในแง่ของสายโทสะนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ไม่มีเหตุผลอื่นใดเลยถ้าเราจับได้ว่าจิตเราไม่ดีแล้วจิตเราเสียแล้วคุณจะบอกว่าพูดเพื่อจะสอนเขาคุณหยุดได้เลยไม่ต้องพูด เพราะถ้าคุณพูดบอกว่าเพื่อจะสอนเขาในขณะที่จริงๆแล้วเราเอากิเลสเราเนี่ยยัดใส่ไปแล้วนะยัดใส่คาสอนไปเรียบร้อยแล้วคือถ้าอย่างนี้นะเขาเรียกว่าทำประโยชน์ให้คนอื่นแต่ผรานประโยชน์ตนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราทำไปอย่างนั้นกิเลสเราเพิ่มขึ้นเพราะเราได้สะใจใช่ไหมแม้ได้ด่าเขาไปสมใจได้อัดเขาเรียบร้อยแล้วอย่างนี้กิเลส ต, ตัวเองเพิ่ม แต่คำสอนนั้นถูกต้องนะสอนไปอย่างนั้นถูกต้องยิ่งถ้าคนฟังนั้นเนะ่ะเขาเกิดเขาเกิดคิดดีนะว่าเออนี่สอนเขาดีอะ่ะจริงๆเขาก็ไม่ค่อยชอบใจเราหรอกแต่คำสอนเราสอนไปดีอะ่ะเพราะนั้นเขาอาจจะไปคิดอะไรเป็นกุศลเขาอาจจะไปคิดในแง่ดีก็ได้อ่าเขาอาจจะได้ประโยชน์ไปแต่เราเองนี่นหะเราเสียประโยชน์นะ เพราะจริงๆบอกแล้วเราเราใช้อารมณ์เราอารมณ์ที่เราสะใจอารมณ์ที่เราได้ได้ระบายโทสะเราอย่างแยกิเลสคุณก็เพิ่มขึ้นสิกิเลสคุณไม่ได้ลดลงตรงอังข้ามเลยนะคราวนี้คุณรู้สึกคุณเกลียดชังคุณไม่ชอบใจแล้วคุณก็อดทนอดกัน้นคุณไม่ต้องไปด่าเขาคุณพยายามใช้สติสัมปชัญญะของเราเนี่ยอะไรอะใช้ขันติ ใช้ความอดทนใช้วิปัสสนาพยายามสลายความอึดอัดความไม่ชอบใจของเราลงมาโดยที่คุณไม่ต้องพูดไม่ต้องสอนเขาก็ได้เขาไม่ได้ประโยชน์เขาไม่ได้รับประโยชน์จากเราในในแง่ว่าพูดธรรมะออกไปเขาไม่ได้ประโยชน์นะคือคื อ, ค, อคือเราเนี่ยไม่ได้ประโยชน์ท่านแต่เราได้ประโยชน์ตนอันนี้นะคุณได้กาไรในเรื่องประโยชน์ตนเพราะคุณได้ ต่อสู้กับกิเลส ต, ตัวเองแล้วก็อดทนอดกัน้นไม่ไม่ปล่อยกิเลส ต, ตัวเองออกไปเดินแฟชั่นโชว์ให้ใครเขาได้พบได้เห็นอย่างนี้คุณได้ประโยชน์ตนแล้วจริงๆผู้เจ้าท่านก็สอนอันนี้ก่อนนะท่านถึงใช้สำนวนว่าอะไรสำน ว, นวนว่าอะไรประโยชน์ผู้อื่นแม้มากแต่ต้องไม่ผ่านประโยชน์ตน นะท่านตรัสไว้อย่างนี้เลยว่าอันนี้เนี่ยข้อที่1นนะึเรื่องของความเมตตามันจะต้องพยายามให้มากๆเมตตาเนี่ยจะมาแก้พวกโทสะพวกความหงุดหงิดความขี้ลําควานความไม่ชอบใจอารมณ์เสียอารมณ์บูดอะไรพวกนี้โดยใช้เมตตาตอนนี้เมตตาเนี่ยท่านก็บอกแล้วว่าปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุข โอ้โหมันหักฐานใจเราเหลือเกินเลยนะยิ่งคนที่เราไม่ชอบใจเนี่ยให้เราคิดว่าจะช่วยเขายัางไงเ อ, อจะพูดกับเขายัางไงที่จะทําให้คนนั้นนะ่ะได้รับความสุขจากการพูดของเราได้หรือจากการที่เราไปคิดจะไปช่วยได้เนี่ยแล้วทําให้เขามีความสุขทั้งๆ ท, ที่เราเกลียดอ่ะโอ้โหพระพุทธเจา้านี่ท่านสอนชนิดว่าเนี่ยต้องคิดอย่างนี้ให้ได้ ถ้าคุณคิดอย่างนี้ได้ถึงจะเรียกว่าคุณเมตตาแต่ถ้าเรายังคิดกับคนนั้นแบบแบบอย่างแย่ถึงบอกว่าใช้ธรรมะสอนเขาเลยใช้คำพูดดีๆใช้ภาษาสวยๆงามๆนะแต่จริงๆแล้วหลอกด่าเขา อ, ะอ่ะจริงๆแล้วถ้าใช้สำนวนก็คือเนี่ยหลอกด่าเขาอะ่ะสะใจเราไอ้อย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมอย่างงี้เป็นความล้มเหลวในการปฏิบัติธรรม มันจะต้องซื่อสัตย์จริงใจแล้วก็กล้าเสียสละได้ถึงจะถึงจะแบบว่าเนี่ยเข้าถึงเมตตาได้แล้วในที่นี้บอกว่าทําจิตนะทาจิตจะต้องทําจิตให้ได้เลยแล้วถ้าคุณทําได้อย่างนี้ถามหน่อยเถอะในโลกนี้มีใครเป็นศัตรูของคุณไหมไม่มีหรอกเพราะถ้าเราทําจิตอย่างนี้ได้ไม่มีใครที่ เราจะไปเป็นศัตรูด้วยเพราะจิตรเราคิดแต่ว่าอะไรปรารถนาจะให้คนอื่นเป็นสุขอะอา้าวแล้วอย่างนี้จะมีใครมาเป็นศัตรูไม่มีหรอกเราเนี่ยไม่มีศัตรูกับใครทั้งสิน้นแต่ฟังดีๆนะถ้ามีคนมาโกรธมาเกียรติเราเขามาเป็นศัตรูของเราเองไม่ใช่เราไปเป็นศัตรู หรือว่าไม่ใช่เราไปสร้างศัตรูไม่ใช่นะตรงเนี้ยถ้าใครอยากจะมีสภาวะจิตใจที่สงบเยน็นแล้วก็มีความสุขในชีวิตพยายามสร้างเมตตาให้มากๆไม่ต้องกับคนหรอกแม้แต่กับสัตว์ทั้งหลายกับหมูกับเป็ดกับไก่กับกิ้งคือตะขาบแมงสาบจิ้งจกอะไรเยอะแยะเออ ถ้าทว่าเราทําได้เนี่ยเราก็จะไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปทําร้ายไม่ไปอะไรใครแต่ก่อนอื่นต้องมาจากจิตก่อนไงต้องมันสร้างแล้วพระเจ้าทา่านกตรัสแล้วว่าต้องต้องพยายามสร้างให้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะใครเนี่ยไม่พยายามสร้างขึ้นให้มากขึ้นเนี่ยเมตตาเมื่อไม่สร้างให้มากขึ้นเมตตาของคุณจะเป็นไงอย่าหวังว่าเท่าเดิมนะอย่าตอบนะเพราะว่ามันไม่มีเท่าเดิมหรอก ถ้าคุณไม่สร้างเมตตาให้มากขึ้นมีแต่เมตตาคุณลดลงเรื่อยๆมีอยู่แค่สองอย่างทำไมถึงบอกว่าเท่าเดิมไม่ได้เพราะโดยสัจจะโดยความเป็นจริงมันไม่มีเท่าเดิมมันมีว่ามากขึ้นหรือน้อยลงไม่ใช่เล่นไฮโลนะไม่ใช่มีแต่สูงแต่เออนะแต่ความจริงมันเป็นอย่า ง, งานั้นมันมีถ้าไม่สูงก็ต่ำเพราะชีวิตจริงๆของคนเราแต่ละวัน มันผ่านไปเรื่อยอะคุณเรียกคืนหรือคุณเรียกให้หยุดได้ไหมคุณเรียกคืนมาไม่ได้คุณเรียกให้หยุดนิ่งก็ไม่ได้ในเมื่อไม่มีการหยุดนิ่งเนี่ยคุณจะทําให้บอกว่าหยุดอยู่กับที่อะเท่าเดิมเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางก็ในเมื่อวันเวลามันวิ่งไปข้างหน้าตลอดเวลาแล้วกูจะบอกว่าเอ้ยฉันมีเมตตาขนาดไหนฉันก็มีเมตตาขนาดนั้นนะเป็นไปไม่ได้สมมุติว่า สามอหห้าวันปีหนึ่งเนี่ยนะวันนี้คุณทําเมตตาคุณพยายามทำอาจจะว่าพรุ่งนี้คุณไม่ได้ทำละคุณบอกว่าหยุดไว้หยุดไว้ทําวันเว้นวันทําวันเว้นวันวันสามอหสิบห้าวันถือว่าถือว่าเท่าเดิมคือคือทำวันหนึ่งแง่ไม่ทําวันหนึ่งก็ถือว่าเจ้ากันทําวันนึงก็ไม่ทําวันหนึ่งถือว่าเจ้ากันแล้วอย่างเงี้ยถือว่าเท่าเดิมเป่าวห้าสิบ ห้าสิบเปอร์เซนถือว่าเท่าเดิมไม่เท่าเดิมหรอกเพราะอะไรในสามรอยหสิบห้าวันถ้าคุณทําได้แค่ครึ่งเดียวนะก็เท่ากับวันนั้นอ่ะคุณทําเมตตาได้ได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นและถ้าปีหน้านะปีหน้าคุณบอกว่าคุณทําอีกครึ่งหนึ่งสมมุตินะคุณทําอีกวันเบ้นวันอีกคุณทํำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะทุกปีทุกปีคุณบอกว่าคุณทําวันเบ้นวันวันเบ้นวันคุณทำเงี้ยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย ถามหน่อยเหรอว่าคนนี้เท่าเดิมทุกปีไหมไม่เท่าหรอกเพราะว่าคุณแก่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหแล้วเงินทองคุณสมมุติว่าอาจจะทำบุญหรือว่าแม้แต่ไอสังขารร่างกายเราเอามันเสื่อมไปเรื่อยๆจะไปเท่าเดิมได้ไงคุณเคยยกน้าหนักได้ห้าสิบกิโลปีต่อต่อไปถ้าแรงคุณดีขึ้นคุณหนุ่มขึ้นคุณสาวขึ้นคุณอาจจะยกได้มากขึ้น แต่ถ้าคุณเริ่มแก่ลงแก่ลงคุณยักได้เท่าเดิมเหรอมันไม่เท่าเดิมหรอกไม่มีทางเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วบางทีเจ็บป่วยกันอ้าวนี่ยังไม่พูดถึงกิเลสเลยนะนี่พูดไออะไรอะ่ะที่มันชัดชัดในสังขารร่างกายในความเป็นจริงที่เราเห็นเห็นได้ยิ่งกิเลสนะเนี่ยคราวนี้คุณว่าแต่ละวันเนี่ยเท่าเดิมเหรอกิเลสเราเนี่ยแต่ละวันคุณว่าเท่าเดิมไหมพรุ่งนี้สมมติว่า กิเลศหนักสักสิบกิโลมลือลืนนี้มันก็หนักสิบกิโลแม่คุณว่ากิเลศเท่าเดิมไหมแต่ละวันไม่มีทางอ่ะใช่ไหมบางวันกิเลศหนาเตอะเลยโอโ้วันนี้ของอร่อยทั้งนั้นเลย <c oughs> นะหนาเตอะเลยวันนี้โอ้วันนี้โ อ, โนนโอโ้เจอคนนี้ตรงสเปคเลยตรงสเปกชอบมากเลยอย่างนี้โอโ้ฟุ้งใหญ่เลยฟุ้งใหญ่เลยมันเท่าเดิมที่ไหนอะ่ะบางวันนูน ไป็นโกตัวอยู่ในห้องไม่เจอใครเลยนะสมมุตินะอ อ, อาหารอร่อยก็ไม่เจอคนสวยๆงามๆหล่อๆอะไรก็ไม่เจอวันนี้เป็นไงเท่าเดิมเปล่ากิเลสบางทีไม่เจอภาษาอะไรมากก็กิเลสมันก็นอนอยู่มันนอนหลับหรือมันสลบอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้สบายใช่ไหมไม่ต้องสู้อะไรมากอแต่มันเท่าเดิมเป่าไม่เท่าหรอกเพราะโดยสัจจคความเป็จริงมันไม่เท่าเดิม วันพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงได้ตัดไปเลยว่าต้องมากขึ้นต้องทำความเมตตาต้องทำความที่ปรารถนาให้คนอื่นเนี่ยเขามีความสุขซึ่งอันนี้ต้องเข้าใจนะว่าปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขโดยทางธรรมะนะไม่ใช่เขาอยากได้เงินมากๆก็เลยอะไรซื้อหวยให้เขา <c oughs> เขาจะได้มีความสุขเพื่อถูกอา้าว เนี่ยเหมือนกับเขาเพิ่งออกข่าวอะ่ะแจ็คพอตยังไม่แตกอะ่ะไอกองสลากซื้อหวยคนที่ถูกเนี่ยเขาซื้อฉบับ20บาทมึงตอนเนี้ยเขาก็เลยได้แค่25่้าล้านหรือไงเนี่ยจะที่เหลืออีกตั้งกี่ล้านไม่รู้70กว่าล้านหรือเปล่าก็เลยยังไม่แตกแล้วเขาก็เอาทบต่อไปงวดหน้าอีกเพราะวดหน้าเนี่ยจะเป็นร้อยกว่าล้าน เันใครถูกทีก็จะโอ้โหวันเราก็คิดว่าเออเราจะมีจิตเมตตาทําให้คนอื่นมีความสุขเพราะนั้นซื้อหวยให้เขาเป็นของขวัญวันเกิด <c oughs> อ่ไออย่างเงี้ยไม่ใช่นะมันต้องเข้าใจนะว่าเมตตาเนี่ยต้องเมตตาในทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิในทางที่ถูกธรรมถ้าเราเมตตาคนอื่นเนี่ยปรารถนาให้เขาได้รับความสุขโดยที่เป็นทุจริต ไอ้อย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะอย่างนี้เนี่ยเราไปเพิ่มกิเลสให้กับเขาจริงๆแล้วไม่ได้ทําให้เขามีความสุขแต่จะทําให้เขาทุกข์เพิ่มขึ้นเนี่ยคนที่ยิ่งถูหวยเนี่ยบางทีรวยๆอ่าจะทุกข์กว่าเดิมนะจะมีคนมาหาที่บ้านมากขึ้นแล้วก็จะไปไหนก็จะต้องเหลียวซ้ายแลก ข, ขวามากขึ้นเพราะไม่รู้ว่าใครจะมาทิงทรัพย์ใครจะจับใครไปเรียกค่าถ่ายอะไรหรือเปล่าโอ้จะต้องหวาดระแวงอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะมากมาย อ่าไม่ค่อยมีความสุขหรอกได้เงินทองมาแบบทุจริตมาอย่างเงี้ยเพรา ะ, ะนั่นอันนี้ต้องเข้าใจว่าปรารถนาให้คนอื่นได้รับความสุขนะต้องโดยทางธรรมเพราะเนี่ยฝึกอย่างเนี้ยฝึกให้มากมากฝึกให้มากๆแล้วก็จะละความพยาบาทหรือถอนพยาบาทที่เรามีอยู่กับใครเนี่ยถึงจะถอนลากเง้าพวกนี้ออกได้ต้องพยายามจริงๆนะนี่แค่ความคิดเท่านั้นเองถ้า ข้อที่หนึ่งเนี่ยแค่ความคิดเนี่ยคุณยังเมตตาใครไม่ได้เมตตาสัตว์โลกทั้งหลายไม่ได้ไม่มีทางหรอกที่จะเป็นคนที่จะเพิ่มเมตตาเพราะยิ่งใครเนี่ยไม่ฝึกเมตตาให้เพิ่มขึ้นบอกแล้วคนนั้นจะเมตตาลดลงเรื่อยๆจะยิ่งไม่ค่อยเห็นคุณค่าของคนอื่นจะไม่ไม่ให้ค่าความสำคัญกับคนอื่นเลยยิ่งสัตว์ต่างๆเนี่ยไ ม, ไม่ต้องคนแล้วนะคราวนี้ ยิ่งสัตว์ต่างๆสัตว์อย่างอื่นในโลกเนี่ยคุณจะยิ่งไม่เห็นใหญ่เลยเพราะคนด้วยกันนะ่ะบางทเีเรายังถือว่ารูปร่างอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้คล้ายๆกันใช่ไหมก็ยังยังแบบว่าเอ อ, อย่างนี้ยังพวกเดียวกันเมตากันหน่อยแต่พอเป็นช้างมาวัวควายหมูเป็ดไก่ยิ่งเป็นสัตว์ที่มีพิษบังอะไรบ้างคุณยิ่งคราวนี้แหละคุณยิ่งไม่มีเมตตาเลยนะยิ่ง คนบางทีกลัวงูเงี้ยเมตตาที่ไหนเขาบอกเห็นงูที่ไหนเป็นไงเห็นงูที่ไหนบางคน เ, เห็นงูที่ไหนต้องตีที่นั่นแต่ไม่ใช่เห็นแขกนะเขาบอกถ้าเห็นงูก็เห็นแขกนี่ตีใครก่อนเขาบอกว่าต้องตีแขกก่อนทำไมตีแขกก่อนเนะีเพราะแขกจะมาทวงดอกเบี้ย เขาเลยจะตีแขกก่อนอันนั้นก็ไปสำนวนที่เขาคุยๆกันเล่นๆเพราอันนี้ต้องเข้าใจเพราะพอเราไม่สร้างเมตตาให้มากขึ้นเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะไปทางพยาบาทไปทางโกรธเกลียดชังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวเลยและจะยิ่งมีจิตใจกระด้างมีจิตใจที่ไม่เอื้อเฟื้อไม่ค่อยเห็นใจคนอื่นแล้วก็ไม่มีความคิดที่จะแบบว่า อ่อนน้อมหรือว่ายอมใครได้จะไม่มีเลยมีแต่จะว่าฉันต้องชนะฉันต้องเก่งกว่าแกหรือว่าฉันจะต้องรวยกว่าแกฉันต้องเหนือกว่าแกอะไรพวกเนี้เ<ม>พราะนั้นแทนที่จิตเนี่ยจะนุ่มนวลจะอ่อนโยนขึ้นจะไม่เลยจะยิ่งกลายเป็นคนโหดร้ายกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยมากขึ้นเรื่อยืเรยพราะนั้นพระเจ้าเนี่ยท่านก็เลยสอนไว้นะว่าต้อง ทำจิตเมตตาให้มากขึ้น